พยายามทำสมาธิแต่กลับฟุ้งซ่านหนักขึ้นเป็นเพราะอะไรคำตอบคือเพราะไม่ได้ทำใจให้เป็นสมาธิแต่มัวทำให้ใจอยากได้สมาธิทำใจให้เป็นสมาธิเริ่มกันอย่างไรก้วแรกเริ่มจากทำความเข้าใจว่า เดิมทีจิตฟุ้งซ่านกระจัดกระจายอยู่ต้องค่อยๆรวมเข้ามาเป็นอันเดียวไม่ใช่อยู่ๆบังคับให้แน่นิ่งขึงขังแล้วเป็นสมาธิเลยเราจะอาศัยอะไรรวมจิตความรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้าออกธรรมดาธรรมดาลากลมเข้าไปสุดปอดแค่ไหนระบายลมออกมาหมดเพียงใดให้นับเป็นหนึ่งรอบความรู้สึก ทุกรอบความรู้สึกถึงลมคือการสะสมกระแสจิตทีละน้อยให้เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งรู้สึกถึงลมแต่อึดอัดฟุ้งซ่านควรแก้ไขอย่างไรอย่าดูลมหายใจอย่างเดียวให้ดูเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลมกับจิตลมมาถึงไหนแล้วจิตไปถึงไหนแล้ว ถามตัวเองว่าแต่ละ ร, รอบความรู้สึกถึงลมฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยต่างกันประมาณใดหรือถ้าความอึดอัดเด่นกว่าก็เทียบว่าอึดอัดมากหรืออึดอัดน้อยกว่ากันตามธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เท่ากันของสิ่งใดในที่สุดจะเลิกเอาเรื่องเอาราวกับสิ่งนั้น ถอยจากสิ่งนั้นถอนตัวจากสิ่งนั้นออกมาเองและนั่นก็หมายความว่าเมื่อเห็นความฟุง้งความอึดอัดไม่เท่ากันบ่อยเข้าก็จะไม่อยากให้หายฟุ้งซ่านและไม่อยากหายอึดอัดแต่จะเห็นความฟุ้งและความอึดอัดเป็นของอื่นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนมีให้ดูไปอย่างนั้นเอง เมื่อฟุ้งน้อยแล้วคือดีแล้วเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าจิตปลอดโปรง่งแผ่กว้างแล้วรู้ลมหายใจหนึ่งเดียวไม่สนใจสิ่งอื่นชั่วขณะเรียกว่าเป็นสมาธิชั่วคราวถ้าจิตกว้างด้วยเกิดปิติเยือกเย็นนานด้วยแต่ยังมีสายความคิดแผ่วๆลอยมาเป็นระลอกได้ เรียกว่าเกือบตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงถ้ายกขึ้นสู่ภาวะรู้หนักแน่นโดยไม่คิดเหมือนเวลาหยุดไม่มีมโนภาพบุคคลจิตกว้างใหญ่เป็นหนึ่งเป็นสุขมากเจิดจ้ามากเรียกว่าตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงสมาธิแบบพุทธเหมือนหรือต่างจากสมาธิทั่วไป จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแท้แบบพุทธคือจิตสำนึกรู้เห็นแต่ไม่คิดอ่านสักแต่รู้ว่านั่นก็ไม่เที่ยงนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกของจิตสำนึกชนิดนั้นจะต่างไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนจิตสำนึกที่คิดคิดนึกนึกธรรมดาอาจเรียกว่าจิตเหนือสำนึกก็ได้ที่พิเศษคือ มีความเป็นไฟล้างกิเลสได้จริงสงบระงับดับทุกข์แบบไม่กลับกำเริบอีกได้จริงซึ่งจิตเหนือสำนึกชนิดนี้เองแยกพุทธออกมาเป็นต่างหากพ้นจากการเป็นศาสนาพ้นจากการต้องเชื่อหรือไม่เชื่อใครทิ้งท้ายหมายเหตุ คำว่าจิตเหนือสํานึกนี้ใช้กันหลากหลายความหมายหลายนิยามเช่นเป็นพลังจักรวาล น, นอกตัวบ้างเป็นสนามแม่เหล็กในท้องฟ้าบ้างเป็นขุมความรู้ที่มีอยู่เดิมในธรรมชาติบ้างเป็นจิตพิเศษที่คุมจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกบ้างและอื่นๆซึ่งรวมไปรวมมาแล้วก็คือยานวิเศษ เหนือความคิดนึกสามัญธรรมดานั่นเองแต่ในที่นี้ผู้เขียนเจาะจงว่าหมายถึงสัมมาสมาธิอันมีความเป็นหนึ่งเป็นฌานซึ่งตั้งต้นจุดชนวนขึ้นมาจากสัมมาทิฐิเจตนาบ่งบอกว่าเป็นจิตแบบหนึ่งที่พิเศษให้การรู้เห็นแตกต่างจากธรรมดาเท่านั้น เสียงอ่านหนังสือความสุขหมายเลขหนึ่งจบบริบูรณ์งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีสามารถติดตามงานของคุณดังตรินได้ฟรีที่เว็บไซต์ดัง t r i n c o m ติดตามเสียงอ่านทั้งหมดและดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์โจโฉเน e t นะครับ